วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาคือเป็นวันแรกของการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสามเณรในบวรพระพุทธศาสนาเพราะเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งให้พระภิกษุและสามเณมร อยู่กับที่ไม่ให้จา่าฤกเดินทางไปไหนมาไหนตลอดระยะเวลาสามเดือนในช่วงฤดูฝนนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดจนถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดนื่องจากช่วงฤดูฝนเป็น ช่วงที่ชาวนาชาวไร่ต้องทําการเพาะปลูกพืชต่างๆสมัยก่อนการเจาวแการเดินทางไปไหนนี้เดินด้วยเท้าไปกันแล้วมักจะเดินรถทุ่งนากันในช่วงที่เป็นช่วงเพาะปลูกถ้าเดินรถทุ่งนาไปก็จะสร้างความเสียหาย ให้แกบพืชพันธุ์ที่ได้ที่ได้เพาะปลูกไว้ในแปลงนานั่นเองชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนจากการเดินไปเดินมาเหยียบย่าทำลายพืชของชาวไร่ชาวนาจึงต้องมากลาบทูลพร้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลังจากได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อน ของชาวนาชาวไร่จึงได้สั่งห้ามไม่ให้พระภิกษุสมัมมเนนเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงระยะเวลาสามเดือนของฤ ด, ดูฝนแต่ทรงอนุญาตให้ในกรณีฉุกเฉินแต่ให้ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันเช่นบิดามานดาคูบาจา์ไม่สบาย ต้องไปดูแลรักษาไปเยี่ยมหรือกุติวิหารเกิดความชำรุดเสียหายต้องไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมหรือมีสหธรรมิกะคือเพื่อนภิกษุสามเณรมีความใคร่อยากจะลาศิกขา ถ้าเดินทางไปปลอบใจไปให้กําลังใจไปห้ามไม่ให้หลาสิขาได้ก็อนุ ญ, ญาตให้ไปได้หรือถ้าญาติโยมมีบุญกุศลมีงานบุญงานกุศลนิมนต์ให้ไปในงานบุญกับงานกุศลของศรัทธาญาติโยมก็ให้ไปได้ แต่ให้ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นอย่างมากหลังจากครบเจดวันเจคืนต้องเดินทางกลับมาที่เดิมนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในสมัยพุทธกาลการอยู่จําพรรษาประโยชน์ที่ได้รับจากการอยู่จําพรรษาก็จะทําให้ เป็นการควบคุมบังคับใจที่ยังฟงุ้งซ่านที่ยังถูกความอยากต่างๆคอยผลักดันให้ไปที่นั่นมาที่นี่จะได้ต้องอยู่กับที่จะต้องระงับความอยากไปนั่นมานี่ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับ ภิกษุสา ม, มเณนและจะได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะการศึกษาและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะเป็นเครื่องมือที่จะปกป้องรักษาจิตใจ ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติเก้าวของเงินทองเพราะใจที่ได้รับการปกป้องรักษาคุ้มครองด้วยการศึกษาและการปฏิบัติธรรมจะนําความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้นั่นเอง ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะวิเศษที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเพราะการศึกษาและการปฏิบัติธรรมจะทำให้จิตใจมีความสงบความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง นี่คือเรื่องของการอยู่จำพรรษาเป้าหมายของการอยู่จำพรรษาจึงอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนเมื่อปฏิบัติตามแล้วผลก็คือความสงบในระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมา จนถึงระดับที่สูงสุดคือระดับของพระนิพพานอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นการอยู่จามปร n ษาจึงควรพุ่งไปที่ตรงจุดนี้จุดคือการศึกษาและการปฏิบัติ เพื่อรักษาจิตใจที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ให้ตั้งอยู่ในความสงบเพราะความสงบของใจเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จากวิธีรักษาจิตใจให้สงบว่ารักษาอย่างไร ถ้าไม่ได้ศึกษาจะไม่รู้จักวิธีและจะไม่สามารถรักษาจิตใจให้อยู่ในความสงบได้การศึกษาจึงเป็นงานที่สำคัญอันดับแรกของผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญของจิตใจจำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ มีผู้ที่รู้จักวิธีรักษาจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนในโลกนี้จะดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนสามารถดูแลรักษาจิตใจของท่าน ให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาถ้าได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ก็จะได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเมื่อได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วผลย่อมเกิดขึ้นผลที่ถูกต้องย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ก็คือความสงบในระดับต่างๆของการปฏิบัติดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะได้สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติต่างๆในโลกนี้จำเป็นจะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตาม แล้วผลที่ได้รับก็จะเป็นสมบัติที่ล้ำค่ายิ่งกว่าสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้และเป็นสมบัติที่ถาวรนด้วยไม่เหมือนกับสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นอยู่ได้กับเราตราบที่ร่างกายของเรานี้ยยังมีอยู่ พอร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่นี้ก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปหรือบางทียังไม่ทันตายสมบัติต่างๆก็จะอาจหมดไปก่อนก็ได้เราจึงไม่ควรที่จะให้ความสำคัญกับการแสวงหาสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกในโลกนี้นอกจากหามาเพื่อดูแลอัตภาพร่างกายให้อยู่ไปเพื่อที่จะได้นำเอาอัตภาพร่างกายที่มีค่าอันนี้มาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือหน้าที่ของทรัพย์สมบัติ ที่พวกเราควรที่จะมีกันเพราะถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเราก็จะไม่สามารถที่จะดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขได้จะไม่สามารถใช้ร่างกายของเรานี้มาศึกษามาเป็ปฏิบัติเพื่อการ ได้รับสมบัติอันลํำค่าที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ดังนั้นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราจึงต้องให้กับการหาทรัพย์สมบัติเพื่อที่จะมาดูแลรักษาอัตภาพร่างกายหรือหาปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอาหารเครื่องนุ่งหม่ม ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่คือปัจจัยสี่หรือสมบัติที่ต้องมีไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายเพื่อที่จะได้ให้ร่างกายนี้อยู่เป็นปกติสุขเพื่อที่จะได้นำเอาร่างกายอันนี้มาศึกษาและมาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อสร้างสมบัติอันล้ำค่าคือสมบัติของใจคือการเกือสมบัติที่มีอยู่ในใจหรือของใจนี้ก็คือความสงบนี้เองดังนั้นเราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้กับการดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจอย่างนอกบวชนี้ท่านก็ จำเป็นต้องมีใช้เวลากับการหากินหาอยู่เหมือนกันท่านต้องออกเป็นทบาทเพื่อจะได้มีอาหารท่านก็ต้องหาที่อยู่ส่วนใหญ่ท่านก็จะหาที่อยู่แบบง่ายๆและอยู่ในสถานที่สงบเช่นอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามถ้าตามเงื่อมผาอยู่ตามโคนไม้ หรืออยู่ตามเรือนรางนี่คือที่อยู่ของผู้ที่แสวงหาสมบัติของใจไม่ต้องอยู่ในปราษาราชวังหรือเข้ารหัสอันใหญ่โตเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลามากจะเสียเวลาไปกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาสร้างปราสาทราชวัง สร้างเขารหัสอันใหญ่ตัวนี้จะทำให้เวลาที่มีคุณค่านั้นหมดไปจะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาและมาปฏิบัติดังนั้นที่อยู่ของผู้แสวงหาสมบัติทางใจนี้จำเป็นจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่เรียบง่ายที่หาได้ง่าย ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่เสียเวลามากอย่างอาหารก็บิณฑบาตเดินไปใครอยากจะให้อะไรก็รับไว้ได้อะไรมาก็ปลิโภคไปตามมีตามเกิดเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ความสุขที่เกิดจากการได้รับประทานอาหารที่ถูกปากถูกคอเป้าหมายอยู่ที่การ รักษาร่างกายให้อยู่ได้โดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลนไม่หิวโหวยอาหารจะถูกปากหรือไม่ถูกปากไม่สําคัญขอให้ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ก็พอแล้วที่อยู่อาศัยก็ขอให้เป็นที่สงบที่อยู่ห่างไกล ความวุ่นวายต่างๆที่อยู่ตามลํำพังไม่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเพราะว่าถ้าใจยังไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆใจยังต้องใช้ความคิดและความคิดนี้จะทําให้ใจไม่สงบถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครก็จะไม่ต้องใช้ความคิดมาก เราก็จะทำให้การควบคุมความคิดให้เข้าสู่ความสงบทําได้อย่างง่ายดายกว่านี่คือที่อยู่ของผู้แสวงหาสมบัติทางใจส่วนเครื่องนุ่งห่มก็พอมีไว้ปกปิดรักษาร่างกายป้องกันร่างกายจากภัยต่างๆ เกิด จ, จากอากาศที่หนาวเย็นหรือป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆหรือมีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะของร่างกายเท่านั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเสื้อผ้าผ่อนที่สวยงามที่หรูหราที่มีการประดับประดาด้วยเครื่องประดับประดาต่างๆขอให้มีไว้สําหรับ พุ่มห่อร่างกายซึ่งเป็นเหมือนศพที่ยังเดินได้อยู่เท่านั้นเองเวลาดายที่ร่างกายนี้ไม่มีลมหายใจแล้วร่างกายนี้ก็จะเป็นศพที่แท้จริงไม่ต้องไปห่วงกับเรื่องของความสวยงามจากการสวมใส่เสื้อผ้าอภรรต่างๆเพราะความสวยงามไม่ได้ทำให้ใจ มีความสงบแต่อย่างใดกับจะทำให้ใจวุ่นวายจะต้องคอยหาเสื้อผ้าอภรรรูปแบบต่างๆมาสวมมาใส่ก็จะทำให้เสียเวลาที่มีคุณค่าที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัติแต่นั้นการใช้เสื้อผ้าอภรรก็ควรจะเป็นแบบสมถะเรียบง่าย และไม่ต้องมีจํานวนมากเกินไปอย่างพระภิกษุนี้ท่านมีทวดงข้อวัดข้อหนึ่งที่ท่านถือกันก็นกคือถือผ้าสามผืนผ้าสามผืนหมายถึงผ้าสผืนสามผืนที่จําเป็นที่จะต้องมีคือต้องมีผ้านุ่งหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืน ไว้สำหรับใช้ในฤดูหนาวในระยะแรกของการก่อตั้งพระาศาสนานี้พระภิกษุท่านใช้ผ้าเพียงสองผืนเท่านั้นคือผ้านุ่งหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มที่เราเรียกว่าจีวร น, นีอีกหนึ่งผืนแต่ต่อมามีผู้ที่มาบวชมีศรัทธามาบวชแต่ยังมีอินทรีย์ที่ไม่แก่ก้าพอ ไม่เหมือนกับผู้ที่บวชในยุคแรกๆเพราะผู้ที่บวชในยุคแรกๆนี้ท่านเป็นพระอรหันต์ทางนั้นท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญอดทนสามารถอดทนกับอากาศร้อนหนาวได้อย่างไม่สะทกสถานแต่มีพวกที่มีอินรีย์ที่ไม่แก่กล้าได้ยังไม่ได้ บรรลกเป็นพระอาหารหันต์แต่มีจิตศรัทธาที่อยากจะออกบวชเพื่อที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันนั้นมาขอบวชกันเป็นจํานวนมากพอเข้าฤดูหนาวก็ไม่สามารถที่จะอยู่สู้กับความหนาวด้วยผ้ากีวรเพียงผืนเดียว ดึงประกาศทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะหาผ้ามาห่มเพิ่มเติมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาต อ, องทรงพิจารณาด้วยพระ อ, องค์เองคือในยามแรกช่วงระยะเวลาห0โมงเยนถึงสี่ทุ่ม อ, องทรงห่มผ้าจีวรหนึ่งผืนแล้วก็ทรงนั่งปฏิบัติ ภาวนาไปจนถึงเวลาสี่ทุ่มก็เริ่มรู้สึกว่าผ้าห่มที่ห่มมว้หนึ่งผืนนี้ไม่พอเพียงต่อการป้องกันอากาศที่หนาวเย็นจึงส่งนำผ้าหม่มอีกผืนหนึ่งมาหม่มแล้วก็ส่งนั่งภาวนาต่อไปจนถึงดีสอง จากสี่สุ่มไปถึงตีสองก็ทรงเห็นว่าผ้าสองผืนที่ทรงห่มนี้ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันความหนาวเหน็บของอากาศได้พระองค์จึงทรงนำเอาผ้าหม่มผ้ากีวอนผืนที่สามมาสวมมาหม่มแลวทรงนั่งไปจนถึงสว่างจึงได้ เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีผ้าห่มเพิ่มขึ้นอีกสองผืนด้วยกันพระองค์จึงทรงอนุ ญ, ญาตให้มีผ้าห่มผืนที่สามโดยให้ทำผ้าห่มที่สานี้เป็นผ้าห่มสองชั้นคือเป็นผ้าห่มสองผืนแต่ให้ตัดเย็บเป็นผืนเดียวผ้าผืนนี้เราเรียกว่าผ้าสังาติที่เวลาพระภิกษุท่าน ทำกิจกรรมทางสงนี้ทําพิธีกรรมต่างๆเราจะเห็นท่านผ้าผ้าอยู่บนไหลอยู่หนึ่งผืนผ้าที่ผ้าอยู่บนไหลนั้นคือผ้าสังคติคือผ้าห่มกันหนาเป็นผ้าผืนที่สามของผ้าภิกษุผ้าที่ท่านนุ่งห่มอยู่นั้นมีสองผืนคือผ้าเนื่งผ้านุ่งหนึ่งผืน เรียกว่าผ้าสบงแล้วก็ผ้าที่ท่านห่มคลุมอีกหนึ่งผืนเรียกว่าผ้ากิวอนแล้วผ้าที่ท่านพาดไหลเรียกว่าผ้าสังคาติอันนี้เป็นผ้าห่มที่มีไว้สำหรับห่มกันหนาวแต่เนื่องจากสมัยก่อนผ้าเป็นสิ่งที่หายากและพระท่านก็ไม่ได้พักอย่น ในที่มิดชิดที่สามารถเก็บข้าวของที่มีความจําเป็นที่มีความสําคัญเช่นผ้าสังกตินี้ได้เวลาที่ท่านทํากิจกรรมอะไรท่านจึงต้องเอาติดตัวไปด้วยเพราะสมัยก่อนท่านจะอยู่ในป่าอยู่ตามโคนม้าอยู่ในถ้ำบางทีก็ท้าไปแล้วทิ้งผ้าสังกติไว้ ก็อาจจะถูกขโมยมาลักขโมยไปได้ท่านเลยต้องเอาผ้าติดตัวไปด้วยไม่ว่าท่านจะทําอะไรเช่นเวลาออกบิณฑบาตก็ต้องซ้อนผ้าสังกติด้วยคือนอกจากข่มผ้าจีวรแล้วก็เอาผ้าสังกตินี้มาห่มทับอีกชั้นหนึ่งเวลาบิณฑบาต ถ้าสังเกต ด, ดูจะเห็นผ้าป่านี่ท่านหมผ้าถึงสามชั้นด้วยกันผ้าจีวรหนึ่งชั้นแล้วก็ผ้าสังคติสองชั้นรวมกันเป็นสามชั้นด้วยกันเพราะว่าถ้าไม่เอาติดตัวไปไหนมาไหนอาจจะถูกขโมยไปได้ในสมัยก่อนเป็นธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติกันมาจนถึงในปัจจุบันนี้ท่านก็ยัง รักษาธรรมเนียมนี้ไว้อยู่สำหรับพระพระป่าแต่สำหรับพระบ้านนี้บางทีท่านก็รักษาบางทีท่านก็ไม่รักษาบางแห่งท่านก็ไม่ซ้อนผ้าสังคติไม่ซ้อนผ้านุ่งเพียงนุ่งหม่มผ้าเพียงผืนเดียวเพราะในสมัยปัจจุบันนี้ท่านอาจจะเห็นว่ามีที่พักอยู่อาศัยที่สามารถจะเก็บ ผ้าไว้ให้ปลอดภัยได้จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาติดตัวไปไหนมาไหนแต่เวลาทำพิธีกรรมต่างๆท่านยังเอาติดตัวไปด้วยเช่นเวลาทำพิธีบวชน้าวิธีสวดอะไรต่างๆถ้าญาติโยมสังเกตก็จะเห็นว่าพระท่านมีผ้าผ้าไหลยอยู่ อย่า น, นอย่าไปสงสัยว่าเป็นความขังหรือเป็นอะไรเลยที่ต้องมีผ้าพัดไหลมันเป็นเรื่องของการรักษาผ้าที่ในสมัยพุทธกาลเป็นสิ่งที่หายากมากผ้าที่พระนุ่งห่มนี้ท่านต้องไปหาเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นทิ้งตามกองขยะทิ้งไว้ตามข้างถนนข้างทางเดิน ทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นผ้าห่อศพอย่างนี้ผ้าป่านี้ก็มาจากคําว่าผ้าห่อศพนี้เองผ้าป่าก็คือผ้าที่เขาเอาไปทิ้งในป่าชา้าผ้าที่หอ่อศพแล้วพอศพนั้นเน่าเปื่อยไปแล้วผ้ายังมีอยู่ ท่านก็ไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาเก็บสะสมไว้พอได้ปริมาณที่จะมาตัดมาเย็บมาปะมาต่อให้เป็นผ้าจีวอนได้ท่านก็นำเอามาปะเอามาเย็บอามาตัดมาต่อเสร็จแล้วก็ย้อมด้วยน้ำที่ต้มด้วยแก่นไม้แก่นไม้นี้จะมีสีสีเหลืองๆ อ, ออกมา เรียกว่าสีกาสาวะพัดเนี่ยนี่คือการอยู่การใช้ผ้าของพระในสมัยพุทธกาลใช้ไปจากวัสดุจากสิ่งของที่หาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไปซื้อมาเพราะในยุคแรกๆของพระพุทธศาสนายังไม่มีผู้ที่รู้จักว่าการอยู่ ของพระภิกษุท่านอยู่กันอย่างไรผ้าท่านหากันอย่างไรยังไม่มีใครรู้กันท่านก็เลยไม่มีการถวายผ้าให้กับพระมีแต่เพียงใส่บาตรเท่านั้นแต่พอต่อมาเริ่มมีคนศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นมีคนเริ่มใสมีคนที่ อยากจะถวายข้าวถวายของกันมากขึ้นจึงมีการถวายผ้าต่อมาผ้าถวายเป็นผ้าภัพเลยก็มีถวายเป็นผ้าที่ตัดเย็บเป็นจีวรเลยก็มี <c oughs> แต่ในยุคแรกๆนั้นไม่มีผ้าเป็นสิ่งที่หายากจึงเป็นสมบัติที่ต้องคอยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด นี่คือเรื่องของผ้าของพระภิกษุและถึงแม้ว่าศาสนาจะมีความเจริญมีความมีผู้คนมีจิตศรัทธาที่จะน้อมถวายผ้ากันอย่างมากมายถวายจีวรกันอย่างมากมายพระพุทธเจ้าก็ยางต้องคอยเตือนคอยสอนพระไม่ให้ไปมกักมากกับเรื่องของผ้า เพราะจะทำให้ต้องมาวุ่นวายกับการตัดเย็บกับการดูแลรักษาพระองค์จึงทรงสอนทุดงขวัดคือการอยู่แบบสมถะเรียบง่ายเช่นให้ถือการให้ถือผ้าสามผืนเป็นวัดนี่เป็นหนึ่งในข้อทุดงของพระที่มุ่งสู่การหลุดพ้น ให้อยู่แบบสมถะเรียบเรียบง่ายมากน้อยสันโดษทุดงขวัดมีอยู่สิบสามข้อเดยกันเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะคอยกำลาบความโลภมากของจิตใจถ้าไม่มีทุดงขวัดนี้จะทำให้ความโลภนี้ออกมามาทำลายการปฏิบัติหรือมา ทำให้การปฏิบัตินี้ล่าช้าไปได้มีสิบสามข้อด้วยกันจะแสดงไว้ให้ฟังบางข้อที่พระป่าเราปฏิบัติกันเป็นประจำคือข้อที่หนึ่งคือการบิณฑบาตเป็นวัดคือให้ถือการหาอาหารนี้ให้หาอาหารจากการบิณฑบาตจะไม่หาอาหารจากการรับกิจนิมนต์ ในข้อที่หนึ่งวันไหนจะรับประทานก็ต้องออกบินธบาตต้องไปที่หมู่บ้านถือบาทเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็รับอาหารที่ผู้มีจิตศรัทธาที่จะใส่จะถวายให้ข้อที่สองให้ฉันในบาทคือให้ถือภาชนะเดียวบาทเป็นภาชนะใส่อาหาร อาหารทุกชนิดที่จะฉันที่จะเข้าไปในร่างกายนี้ให้ใส่เข้าไปไว้ในบาทเพื่อการอยู่แบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่เหมือนกับคารวาสผู้คลองเรือนที่จะมีความจุ๊จี้จุกจิกมีความพิถีพิถันกับเรื่องของการรับประทานอาหารมีแบ่งกันเป็นจาน มีทั้งอาหารขา่าวทั้งอาหารหวานมีทั้งเครื่องเดิมมีทั้งอะไรที่จะต้องแยกกันไม่ปนกันไม่รวมกันถ้าพระชานแบบนี้ก็จะต้องวุ่นวายกับเรื่องของการหาภาชนะมาใส่อาหารแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาเสียเวลากับการาทำความสะอาดภาชนะต่างๆที่ใช้ในการบริโภคอาหาร ถ้าใช้บาตรเพียงอย่างเดียวนี้มันก็สบายมีอะไรก็ใส่ไปในบาตรใส่ข้าวเข้าไปใส่กับเข้าไปใส่ของหวานของข้าวเข้าไปใส่ขนมเข้าไปอะไรที่จะเข้าไปในท้องนี้ให้ใส่เข้าไปในบาตรให้หมดแล้ววิธีใส่ไปในบาตรก็มีหลายวิธีด้วยเพื่อเป็นการปราล์มหรือปาบ กิเลสตัณหาตัวจู้จี้จุกจิกที่ชอบแยกแยะอาหารชนิดต่างๆต้องรับประทานอาหารชนิดนี้ก่อนชนิดนั้นอาจารย์ฉนจะรับประทานทีเดียวพร้อมกันไม่ได้จึงต้องแยกข้าวไว้จานหนึ่งแยกกับไว้จานหนึ่งแยกของหวานไว้จานหนึ่ง อ, อาหารเหล่านี้แยกกันไป ตอนที่อยู่ข้างนอกแต่พอมันเข้าไปในท้องมันก็ต้องเข้าไปรวมกันอยู่ดีผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารเพื่อรักษาร่างกายและทําลายกิเลส ต, ตัณหาก็จะไม่ทําแบบนี้จะเอาอาหารที่จะเข้าไปในร่างกายนี้รวมเข้าไปในภาชนะก็รวมไปในบาตแล้วก็มีขั้นตอนหนักเบาในการปร า, าบกิเลส คือขั้นขั้นเบาก็คือให้สายเข้าไปแล้วก็แยกมุมไว้ข้าวไว้มุมหนึ่งกับไว้มุมหนึ่งผลไม้ไว้มุมหนึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นเบาๆถ้ากิเลดไม่หนักไม่หนากิเลดบางแล้วก็ใช้แบบนี้ไปถ้ากิเลดหนาขึ้นก่อนนี้ก็เอาแบบไม่แยกสายเข้าไป ใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้ข้าวอยู่ตรงไหนก็ได้กลับอยู่ตรงไหนก็ได้ขนมอยู่ตรงไหนก็ได้ใส่เข้าไปโดยไม่ไม่ต้องมาพิถีพิถันแยกมันในบาทนี่ก็ขั้นปานกลางถ้าจะกิเลส ข, ขั้นหนาขั้นหนักก็ต้องคนมันคุกมันเลยเหมือนกับเวลาเราคุกข้าวให้สุนัขมีอะไรใส่เข้าไปแล้วก็คนแล้วก็คุกมัน เพรเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องไปคุกกันอยู่ในท้องอยู่ดีแต่คุกกันอยู่ในท้องแต่ยกยกแยกกันตอนที่อยู่นอกนอกท้องนี้มันยังมีช่องให้กิเลสมันออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับจิตใจได้เนี่ยก็ต้องคุกมันคนมันขณะที่ยังไม่เข้าไปในร่างกายเลยเวลานับประทานกิเลสมันจะได้ไม่โผล่ออกมา เพราะมันจะรับประทานไม่หลงมันจะรับประทานด้วยความจําใจรับประทานเหมือนกับการรับประทานยาถ้ารับประทานอย่างนี้ได้ก็จะอยู่ง่ายกินง่ายมีอะไรก็จะกินได้ไม่ไวุ่นวายไม่กังวล น, นี่ก็อีกข้อหนึ่งคือการใช้ภาชนะเดียวเป็นที่เป็นข้อวัดปฏิบัติ เพื่อความอยู่แบบสมถะเรียกง่ายมักน้อยสันโดษเพื่อเป็นการปราบปามกิเลสตัณหาที่ตัวจู้ที่จุกจิกที่ติดโตดติดชาติติดรูปติดกลิ่นติดสีของอาหารให้มันถูกทําลายไปข้อที่สามก็คือการฉันมือเดียวฉันครั้งเดียวการให้อาหารร่างกายนี้ไม่จําเป็นจะต้องให้วันละสามสี่ครั้งเหมือนกับที่ ขารวะ ญ, ญาติโยมให้กันเพราะนั่นเป็นการให้กิเลสตัณหาด้วยให้ร่างกายด้วยถ้าให้ร่างกายนี้ให้ครั้งเดียวก็พอเอาอาหารที่จะรับประทานสามสี่ครั้งนี้มารวมกันแล้วก็รับประทานกันครั้งเดียวเลยเหมือนกับการเติมน้ามันรถยนต์เราเติมมันทีเดียวให้เต็มถังไปเลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคอยเติมอยู่เรื่อย ถ้าเติมเทลาหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ของถังเดี๋ยวก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆรถก็จะวิ่งไปแล้วก็ต้องเสียเวลาห า, หาสถานีบริการมาคอยเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆการเดินทางก็จะเสียเวลาจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการเติมน้ํามันเพียงครั้งเดียวการรับประทานอาหารเพียงครั้งเดียวก็เหมือนกัน ถ้าเรารับประทานอาหารเพื่อร่างกายนี้รับประทานครั้งเดียวก็พอรับประทานให้เต็มที่เลยรับประทานอย่างก้นทั้งรับประทานไม่ลงถ้าแต่น้ำมันก็ให้มันล้นเลยแล้วรับรองได้ว่าไม่ตายอยู่ได้24ชั่วโมงอย่างแน่นอนนี่ก็คือทุลองควัดข้อที่สามที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารคือให้รับประทานวันละหนึ่งครั้งเท่านั้น ข้อที่สี่ก็คือการไม่รับประทานอาหารับับอาหารหลังจากกลับมาจากบิณฑบาบแล้วมีเช่นวัดป่าบ้านตานี้ท่านจะถือทุดงควัดในช่วงเข้าพรรษาข้อนี้คือจะไม่รับอาหารมากจนเกินไปเพราะบางทีญาติโยมมาตามมาใส่ถึงในวัดเลยขึ้นมาที่ศาลา อาหารมันก็มากมันก็ทำให้กิเลสมันออกมาเพ่นพ่านได้มากยังให้ยินดีแต่เฉพาะอาหารที่ได้จากการบินตบาดพอเข้าถึงเขตวัดแล้วก็จะไม่รับอาหารจากญาติโยมอีกต่อไปที่ตามมาทีหลังแญาติโยมก็ฉลาดมายืนรอยอยู่ที่หน้าวัดกันจนกรนทังเป็นแถวยาวเป็นกิโลก็มาเหนื่อยกันตรงที่หน้าวัดกันอีกรอบ บิทบาต ท, ที่หมู่บ้านเสร็จแล้วก็ยังต้องมาบิทบาตอีกรอบที่หน้าวัดตั้งแถวเป็นยาวเหยียดเลยบางทีเดี๋ยวนี้ยาวเป็นกิโลก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาที่มันบางทีก็ขัดกับเรื่องของความมักน้อยสันโดษของพระแต่บางทีก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องให้ก็ต้องทําแบบที่ทําอย่างนี้ถ้าอยากจะใส่ก็ยังต้อง ใส่นอกวัดไม่ให้ตาอ่เข้าไปใส่ในวัดนี่ก็คือข้อทุดงที่เกี่ยวกับการขบฉันเพื่อส่งเสริมความมักน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายมาเสียเวลากับการรับประทานอาหารส่วนผ้าเครื่องนุ่งห่มก็อย่างที่ผูนูนี้ให้ถือผ้าบังสกุลเกยาวผ้าที่ไม่ใช่เป็นผ้าที่เขาตัดเย็บมาถวายสําเร็จรูปแล้ว จะไปเก็บเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามทางต่างๆทิ้งไว้ตา ม, ตามกองขยะทิ้งไว้ในป่าชา้าไปเก็บมาตัดมาเย็บเองมาย้อมเองนี่เรียกว่าผ้าบังสกุลหรือถือผ้าสามผือนอันนี้ก็เป็นผ้าบังสกุลก็ได้เป็นผ้าที่ญาติโยมตัดเย็บมาครบชุดมาถวายก็ได้แต่จะไม่จะใช้เพียงหนึ่งชุดเท่านั้นจะไม่มีหลายชุด ึงแม้ว่าจะมีญาติโยมถวายผ้าตายมาเป็นร้อยๆชุดก็จะไม่เก็บเอาไว้จะเก็บเอาไว้ชุดเดียวเพราะเก็บไว้เป็นร้อยชุดจะไปทาอะไรได้มันก็เกะกะโลกลุงรังกุติเดี๋ยวก็ไม่มีที่นอนไปดูพระบางรูปในกุติของท่านนี้แทบจะหาที่นอนไม่มีปับเต็มไปด้วยข้าวด้วยของที่สักกาญาติโยมนำมาถวาย ของอะไรที่มั่นมากเกินไปมันไม่เป็นประโยชน์และมันจะเป็นโทษแก่จิตใจเพราะจะเป็นภาระที่จะต้องมาดูแลจัดการบริหารมันดังนั้นโูที่มากน้อยสันโดษที่ต้องการความสงบในจะไม่มีอะไรพลุนพลังมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นมีอะไรมากกว่านั้นก็บริจากไปยกให้คนอื่นไป นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของผ้ามีอยู่สองข้อคือถือผ้าบางสกุลหรือถือผ้าไตจีวอนแล้วที่อยู่อาศัยก็ท่านก็มีให้ถือให้อยู่ตามคนไม้ก็คือให้ไปอยู่ในป่าไปอยู่ไปอยู่ตามป่าแล้วก็ไปทำกระต๊อกหรือไปทำอะไรทำเพลิงกันแดดกันฝนอยู่ไปตามอัตภาพนี่เรียกว่าอยู่คนไม้ หรือ ว, ว่าให้อยู่อยู่ตามมีตามเกิดถ้าไปพักอยู่ในวัดเขาจะจัดกุฏิหลังไหนให้อยู่ก็ยินดีตามที่เขาจัดให้เรียกว่าอยู่แบบยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็มีอีกข้อหนึ่ง ท, ที่จําได้เกี่ยวกับการทําความเพียรก็คือถือในสัตชิกคือให้ถือสามอิริยาบถ จะไม่ถือท่าเอลิยาบทนอนจะถือเพียงสามเอริยาบทคือเดินยืนกับนั่งเพื่อที่จะป้องกันการหลับนอนมากเกินไปจะทํามาทําลายความเพียรจะทําให้เกิดความเกลียดคร้านจะทําให้เสียเวลาของการปฏิบัติถ้าจะหลับก็ขอให้หลับอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งสามท่านี้ท่าเดินท่ายืนหรือท่านัง่งเท่านั้น แต่จะไม่ยอมเอนหลังดอนโดยเด็ดขาดข้อนี้ก็สามารถที่จะสมาทานตามระยะเวลาที่ต้องการได้หนึ่งวันหนึ่งคืนสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนหรืออะไรสุดแท้แต่อันนี้ไม่ได้บังคับข้อทุดงทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับเหมือนกับศีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้อ จะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ถ้าเปียบเป็นน้ํามันก็เป็นน้ํามันชนิดพิเศษเชื้หน้มันเก้าสิบห้าถ้าต้องการให้รถมีพลังมากก็เติมเก้าสิบห้ามันก็วิ่งเร็วแต่มันแพงกว่าน้ํามันเก้าสิบเอ็ดน้ํกัน้นมันเก้าสิบเอ็ดนี่ก็คือสีนสอง้อยี่สิบเจ็ดข้อที่จำเป็นจะต้องมีกันต้องรักษากันถ้าขาดก็ถือว่าขาด เป็นผู้ทุศีลแล้วถ้าเป็นศีลที่เป็นข้อหนักก็ถือถึงกับการขาดจากการเป็นพระภิกษุไปข้อที่ทำให้ขาดจากการเป็นพระภิกษุเรียกว่าปาราชิกสีมีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งคือการเสพเมถุนคือการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นการเสพการถ้าไปเสพการกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือแม้แต่เดรัจฉานก็ถือว่า สิ้นสุดจากการเป็นสัมมณะเป็นพระไปข้อที่สองคือการฆ่ามนุษย์ข้อที่สคือการลักทรัพย์และข้อที่สคือการอวดอุตริคุณธรรมอันวิเศษที่ไม่มีอยู่ในตนถ้ามีไม่ถือว่าเป็นการอวดไม่ได้ถือว่าเป็นอุตริถ้ามีสมาธิพูดไปก็ไม่ผิด เพียงแต่ว่าบางทีอาจจะถูกเขาเพ่งเลงแนะากล่าวหาได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเรามีจริงหรือไม่มีจริงดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนวิเศษขนาดไหนการที่จะพูดถึงคุณวิเศษของที่มีอยู่ในตนนั้นจริงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังต้องดูว่าบุคคลที่พูดด้วยนี้เป็นบุคคลที่เขามีปัญญาพอที่จะ เห็นคุณวิเศษที่มีในตัวของเราได้หรือไม่ถ้าไปพูดกับคนที่ไม่มีปัญญาพอเขาอาจจะกล่าวหาว่าเป็นอุตริได้แล้วก็จะต้องถูกอสอบสวนเหมือนกับเป็นนักโทษไปถูกตั้งกรรมการของพระมาตรวจเหมือนกับขึ้นถูกจับขึ้นศาลเพื่อจะมาพิสูจน์ว่า สิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าดังนี้ดังนั้นในสมัยนี้จึงไม่ค่อยมีพระที่ท่านจะพูดถึงคุณวิเศษที่มีอยู่ในตัวของท่านเองนอกจากที่ท่านสนทนากันตามลำพังสองต่อสองแล้วก็มีผู้อื่นไปแอบฟังเข้าแล้วก็ไปเล่ากันต่อไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มันก็ ถ้ามไม่ได้ช่วยไม่ได้แต่ก็จะไม่ได้ถูกข้อกล่าวหาเพราะว่าเวลาพระสนทนาธรรมกันก็ต้องสนทนาเรื่องของการปฏิบัติของแต่ละท่านและผลที่ได้รับจากการปฏิบัติถ้าการสนทนาธรรมด้วยเหตุด้วยผลี้ผู้ฟังด้วยสติด้วยปัญญายอมรู้ว่าไม่ได้เป็นการอุดริยแต่อย่างใด แต่พูดแต่เรื่องของผล <c oughs> เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้แสดงถึงเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้นขึ้นมาอันนี้ก็ต้องต้องไลด่ดูต้องสอบถามดูว่าการที่ได้ผลนี้มานี้ได้มาอย่างไรเหมือนสมัยนี้มีเงนินมีทองมากมายนี่เขาต้องคอยไปตรวจสอบดูว่าเงินทองนี้ได้มาอย่างไร ได้มาโดยวิธีสุจริญหรือทุจริตเนี่ได้มาจากการฟอกเงินเอามาฟอกเงินหรือเปล่ า, ท, าทําอาชีพที่ทุจริตแล้วเอาเงินที่ไม่สะอาดนี้มาซักฟอกให้มันสะอาดหรือเปล่าอันนี้ก็คล้ายๆกันนี่ก็คือเรื่องของปาราชิกสีที่ผู้ใดก็ตามถ้าได้ละเมิด แล้วผู้อื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามท่านบอกว่าผู้ผู้กระทานั้นย่อมรู้แก่ตนย่อมรู้ว่าตนนั้นป่าได้สิ้นสุดจากการพระภิกษุแล้วถ้าเป็นเหมือนต้นตานก็คือยอดมันด้วนไปเสียแล้วต้นตานั้นไม่มีวันที่จะเจริญงอกงามขึ้นป่าได้ต่อไปผู้ที่อยู่ เป็นพระอยู่ของผ้าเหลืองไปก็จะไม่มีวันที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะการปฏิบัติการกระทำของท่านนั้นมันขัดกับมรรคผลกับพระนิพพานนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติของพระภิกษุซึ่งญาติโยมก็สามารถเอาไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะกับญาติโยมได้ เป่นการรับประทานมื้อเดียวก็ญาติโยมก็รับประทานมื้อเดียวได้การใช้ผ้าสามผืนก็ญาติโยมก็อาจจะใช้ผ้าสามชุดแทนก็ได้ชุดหนึ่งเอาไว้ใส่ชุดหนึ่งเอาไว้ซักอีกชุดหนึ่งก็เก็บสำรองไว้เวลาผ้าที่ซักแล้วมันไม่แห้งทันในช่วงฤดูฝนก็มีเอาอีกสำรับอีกชุดหนึ่งไว้สำรองไว้มีเท่านี้ก็พอแล้วอยู่ได้แล้ว จะได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ต้องดูแลรักษาจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เอาไปดัดแปลงได้กินในพ า, พาชนะเดียวก็หาชามใหญ่ๆมาสักใบหนึ่งแล้วก็เอาอาหารต่างๆใส่เข้าไปในชามนั้นรับประทานมื้อเดียวเบญทบาทก็ก็ เวลาจะหาอาหารก็เช่นไปร้านอาหารก็ไม่ต้องสั่งเด็กบอกให้เด็กจัดอะไรมาให้ก็ได้ถ้าก็ไปในร้านอาหารเด็กถามว่าจะกินอะไรวาอะไรอะไรก็ได้จัดมาให้หน่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับการบินบาทให้เด็กใส่บาทให้กับเราเด็กที่ร้านขายของนี่นี่ก็คือการปฏิบัติที่เราสามารถดัดแปลง ให้เหมาะสมกับเพศของเราได้โดยเราดูที่เนื้อหาสาระของการปฏิบัติเราอย่าไปดูที่รูปแบบรูปแบบนี้มันต้องเปลี่ยนมันต้องไม่เหมือนกันคารวะรูปแบบของคารวาะกับรูปแบบของพระไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาสาระของการปราบกิเลสนี้ก็เหมือนกันที่เราทุกคนถ้ายังไม่ได้บวชเพราะว่าเราอาจจะมีภารกิจหรือมีข้อติดขัดในบางเรื่องบางอย่าง ทำให้เราไม่สามารถออกบวชได้แต่เราก็ยังสามารถอยู่แบบนักบวชได้อยู่ที่บ้านของเราปฏิบัติแบบนักบวชได้อย่างเช่นข้อตุดวงขวัดต่างๆนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นจะต้องอยู่ในวัดเท่านั้นถึงจะปฏิบัติแบบนี้ได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ถ้าเรามุ่งมั่นสู่การ ดุดพ้นมุ่งมั่นสู่การรักษาใจมุ่งมั่นสู่การสร้างสมบัติอันนํำค่าของใจนี้เราก็ต้องใช้วิธีการเหล่านี้เหมือนกันเพียงต่างในรูปแบบเท่านั้นเองเราก็มาปรับเอาตามความเหมาะสมกับฐานะของเราแล้วมรกผลนิพพานมันก็ยังเกิดขึ้นได้กับเราไม่ว่าเราจะเป็นฆาาวาสหรือเป็นนักบวชเพราะใน บทที่เราสวดว่าสุปฏิปันโนนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นพระภิกษุท่านเพียงแต่บอกว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นใครก็ได้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อลดพ้นก็จะได้เป็นพระอริยสงสาวกได้เหมือนกันเป็นพระโสดาบันไดเป็นพระสกิดาคามีได้เป็นพระอนาคามีไดเป็นพระอาหารหันต์ได้ ไม่ได้อยู่ที่การนุ่งเหลืองโกนศีรษะเพียงอย่างเดียวเพราะมีผู้ที่บวชแล้วไม่ได้บรรลุ ก, ก็มีเป็นจำนวนมากเพราะว่าท่านบวชแล้วท่านไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติแทนที่ท่านจะหามรรคผลนิพพานท่านก็มุ่งไปสู่การหาบุญบังสังสวดกันหางานบุญหางานสังฆทาน หางานบางสกุลงานสวดศพถ้าหาสิ่งเหล่านี้มากผลนิพพานก็ไม่เกิดจะเกิดก็คือลาบสักการะต่างๆเช่นเงินทองข้าวของที่ญาติโยมนํามาถวายมาประเกงให้เท่านั้นเองดังนั้นจึงไม่ได้อยู่ว่าที่ว่าเป็นนักบวชแล้วไม่เป็นนักบวชแต่อยู่ที่การปฏิบัติแบบนักบวชหรือไม่ปฏิบัติแบบนักบวชเท่านั้นเอง การปฏิบัติแบบนักบวชนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักบวชเป็นฆราวาสแต่ปฏิบัติแบบนักบวชก็บรรลุได้เป็นนักบวชแต่ไม่ปฏิบัติแบบนักบวชก็บรรลุไม่ได้นี่คือหัวใจอันสําคัญของการปฏิบ <allemaal S 1> ัต <Suzuki> ิขอให้เราอย่าไปกังวลกับสถานะของเราว่าเราเป็นคฆราวาสหรือเป็นนักบวชให้กังวลว่าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติหรือไม่ ถ้าเราไม่มีเวลาเราต้องหาเวลาให้กับการปฏิบัติให้ได้เพราะถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาดังนั้นอะไรที่มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเราต้องทำลายมันให้ได้ต้องกำจัดมันให้ได้เพื่อให้เราจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติกันดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้เราอาจจะใช้ อุบายของใช้เหตุของการเข้าพรรษานี้มาเป็นข้ออ้างก็ได้ว่าช่วงนี้เข้าพรรษาต้องขอหยุดงานทางโลกไว้ชั่วคราวขอมาใช้เวลากับการศึกษาปฏิบัติธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าะคนที่นับถือศาสนาอื่นก็ยังอ้างศาสนาเป็นข้ออ้างได้เลยเชี่ยคนศาสนาก็ห้ามไม่ให้กินเนื้อสุ ก, กรเขาก็ยังอ้างได้ว่าไม่ให้กินเนื้อสุ ก, กร ศา ส, สนาเขาห้ามไม่ให้ดืม่มโซดาห้ามไม่ให้นึ่นการพนันเขาก็อ้างศาสนาได้แต่ศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ใจกว้างไม่บังคับกันไม่ห้ามกันปล่อยให้ทํากันตามสมัครความสมัครใจเช่นอะบายามุกต่างๆนี้ก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่บอกว่าให้รู้ว่ามันไม่ดีทําแล้วมันจะเกิดโทษการ ทำบาปก็ไม่ได้ห้ามให้ทำเพียงแต่บอกว่าทำแล้วมันจะเกิดโทษขึ้นมาพอเป็นศาสนาที่ใจกว้างพวกเราก็เลยกว้างตามศาสนา <c oughs> คือไม่ทำทั้งเลยนี่แหละมันก็เลยทำให้พวกเราไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าในทางทำกันพวกเราไปเจริญก้าวหน้าในทางโลกกันแทน ดังนั้นถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าในทางศาสนาเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเข้าวพรรษานี้เราจะละเว้นอบายามุขทั้งหมดการเล่นการพนันการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นไม่ความเกียดค้านแล้วก็ละการกระทาบาปห้าข้อคือมละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูปดปดมดเทศดหรือถ้าอยากจะรักษาศีลที่สูงกว่านี้มากกว่านี้ก็ให้รักษาศีลแปดไปข้อสาก็ให้ละเว้นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแม้จะแม้จะเป็นคู่ครองเป็นสามีเป็นภรรยาก็ขอหยุดไว้หนึ่งหนึ่งพันษาสาเดือนละเว้นจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีเวลาเวลารับประทานมากจนเกินไป ก็รัปทานไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือว่าจะรับประทานเพียงมื้อเดียวก็ได้แต่ก็ต้องก่อนเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารเพื่อจะได้ให้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างสะดวกสบายหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายคือมหัศลศพบันเทิงต่างๆ ไม่ดูการร้องลําทําเพลงมดูภาพยนตร์ดูละครไม่ออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เราสามารถที่จะใช้การเข้าพรรษานี้มาเป็นข้ออ้างได้แล้วก็จะไม่นอนมากเกินไปวิธีจะนอนไม่มากเกินไปก็อย่าไปนอนบนเตียงที่มันม น, นอนหลับแล้วสบายเช่นนอนบนฟูกหนาๆ ให้นอนบนพื้นแข็งเช่นนอนกับพื้นพื้นดินพื้นไม้อาจจะปูเสือ่อปูผ้ากันความเย็นไว้อันนี้ไม่เป็นไรทำได้เพราะว่าถ้าเรานอนที่มันนุ่มมันสบายพอร่างกายได้พักพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแต่ใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันยังสบายร่างกายต้องการพักประมาณสี่ห้าชั่วโมง ตื่นขึ้นมาก็ากจะไม่อยากจะลุกก็นอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงก็เสียเวลาอันมีค่าไปถ้านอนบนพื้นแข็งๆเช่นพื้นไม้พื้นดินปอนั่งกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาก็อยากไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะรีบลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมนี่คือเรื่องของ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างนี้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นข่าววาสญาติโยมหรือเป็นส ม, สมณะนักบวชเป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันเพราะกิเลสเป็นกิเลสตัวเดียวกันความโลภความโลกโกรธความหลงนี่เป็นตัวเดียวกันเครื่องม้เครื่องมือที่จะมาใช้ทําลายกิเลสตัณหาก็เป็นเครื่องม้าเครื่องมือชนิดเดียวกัน ผู้ที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้ก็มีต่างเพศต่างวัยได้เป็นหญิงเป็นชายก็ได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคาราวะเป็นนักบวชก็ได้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่การใช้เครื่องมือคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สมบัติอันล้ำค่าคือความสงบของใจ ที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสงบทั้งปวงดังนั้นในวันเข้าพรรษานี้ก็ขอฝากเรื่องธรรมะเกี่ยวกับการเข้าพรรษาธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นําเอาไปเพล็กพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริโปรเนติสาัการังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกะปะปะัรปติอิชิตังภัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจุสัพเเปุปรเตุสังกะปา จันโทปนะระโสยทามณิโชติอระโสยทาสพีติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสิริสนิจจังุทาปจายโนจัตตารธรมาวทานติ ลาดับต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ถามได้จะถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ If you like to ask question you are welcome to do it now you can talk through the microphone ถ้าไม่มีก็ให้พิธีกรถามปัญหาทางบ้านคำถามแรกจากคุณแอนแอนนี่ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าหากเราเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบเสแสร้งพูดและทำตามที่คิดแต่อาจไม่ถูกใจคนอื่นๆรู้สึกเหน่ใจเหลือเกินควรวางใจเราอย่างไรดีคะจึงไม่ทุก คือการพูดพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้เราพิจารณาว่าการพูดของเรานี้จะเกิดผลอะไรตามมาถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ถ้าพูดแล้วทำให้เกิดโทษก็ไม่ควรพูดคือบางคนเขาไม่สามารถรับความจริงได้เราไปพูดความจริงแล้วทาให้เขาโกรธเขาเกลียดเราเราก็ไม่ต้องพูดก็ได้ แต่เราไม่ต้องโกหกเท่านั้นเองแต่หมายถึงพูดพูดความจริงแต่ถ้ามันไม่เหมาะกับกาลเทศะมันไม่เหมาะกับบุคคลเราก็ต้องไม่ควรพูดเช่นของบางอย่างเราจะบอกพ่อบอกแม่ไม่ได้เราเป็นลูกเราจะไปสั่งสอนพ่อแม่ไม่ได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ก็ททำอาจจะไม่ถูกแต่เราจะบอกบอกว่าผิดนี่มันไม่เหมาะสมกับฐานะของเรา พูดไปแล้วจะทำให้พ่อแม่โกรธหรือเสียใจก็ได้อย่างนั้นการพูดอะไรต้องดูผลกระทบที่จะตามมาถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ถ้าพูดแล้วมันเกิดความเสียหายเกิดความแตกเล่าอันนี้ก็ไม่ควรพูดต่อมาค่ะจากคุณเอมานาหวานหนองแคมค่ะกราบนรัชการพระเข้าพรรษา จำวัดกุฏิเดียวกันไม่ได้อะไรครับคือถ้าเป็นภาคปฏิบัตินี้ท่านไม่ต้องการให้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะสนทนาคุยกันหรือจะรบกวนกันเวลาภาวนานี้ต้องการความสงบทางกายถ้าเรานั่งภาวนาเพื่อนนั่งทําอะไรอยู่ก็จะรบกวนการนั่งสมาธิของเราได้ กา น, นมันไม่ผิดไม่มีกฎห้ามแต่เพียงแต่ว่าความนิยมหรือตามประเพณีของพระปฏิบัติเนี่ยท่านจะแยกกันอยู่ไม่คุกคีกันแยกกันอยู่เพื่อจะได้ไม่มารบกวนกันแต่ถ้าเป็นคารวาส น, นอนร่วมกันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายถึงแม้ว่าจะนอนอยู่คือ ทันไม่ให้พระกับคาราวะนีอ้อยู่ร่วมกันต้องแยกกันอยู่ถ้าจะอยู่ในบริเวณบ้านนี้ก็ต้องแยกเป็นหลังไปเลยอยู่คนคนละหลังคาอย่างนี้อยู่ได้แต่ถ้าถึงแม้จะอยู่คนละห้องแต่อยู่ในหลังคาเดียวกันนี้ท่านก็ยังถือว่าอยู่ร่วมกันอยู่เพราะมันการอยู่ของคาราวะ ก, กับการอยู่ของพระนี้ไม่เหมือนกัน คำถามต่อมาจากคุณกนกพรภัยสารอัศวะเสนีเวลาดิฉันไปยังศาลเจ้าต่างๆดิฉันชอบไปขอพรเทวดาขอลาบบ้างขอยศบ้างอย่างนี้ถือว่าดิฉันมีพระพรเทวดาเป็นที่พึ่งหรือไม่คะและถือว่าไม่ตั้งมั่นในพระรัตนาตายหรือไม่คะดิฉันทําผิดไหมคะคือมีโมหะเป็นที่พึ่ง มีความหลงมีความมืดบอดเป็นที่พึ่งไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลนั่นเองไม่เคยได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างท่องแท้ถ้าฟังเทศฟังธรรมอย่างทรองแท้นี่จะรู้ว่ารู้ว่าเหตุรู้รว่าผลนั้นเป็นสิ่งที่เป็นของคู่กันผลที่เราต้องการนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เกิดจากการขอจากผู้อื่น แต่เกิดจากการกระทาของเราเองคือความสุขความจเจริญความดับทุกข์นี้เกิดจากการกระทาของเราถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขความจเจริญก็จะตามมาถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะตามมา <sh arp inhale> นี่คือกฎของกรรมหรือเรียกว่าเหตุผลเหตุทำให้เกิดผลขึ้นมา ถ้าอยากจะให้ผลก็ต้องรู้ว่าเหตุที่จะให้ผลนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องศึกษา do, mm hmm. ดูเหตุนที่พวกเรามาวัดมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันนี้เรามาฟังมาศึกษาเหตุที่จะทําให้ชีวิตของเรานี้มีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความปราศจากความทุกข์กันเหตุที่จะทําให้ ผลเหล่านี้เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากการจุดทูบเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอจากพระพุทธเจ้าเช่นพรรษานี้วันนี้เข้าพรรษาก็จุดทูบเทียนสามดอกว่าขอให้พรรษานี้ขอให้ดิฉันหรือกับผมได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ผมไม่ปฏิบัติอะไรเลยได้ไหมศีลก็ไม่รักษาทานก็ไม่ทําภาวนาก็ไม่ภาวนาถ้าขออย่างนี้ขอไปอีกร้อยล้านชาติก็จะไม่มีวันได้ผล แต่ถ้าตั้งจิตอธิษฐานว่าพรรษานี้จะตั้งใจทำทานถ้ายังไม่ได้ทำทานจะรักษาศีลถ้ายังไม่ได้รักษาศีลจะภาวนาถ้ายังไม่ได้ภาวนาถ้าทาอย่างนี้รับรองได้ว่าผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นถ้ายัางไปขออะไรจากเทวดาขออะไรจากาพระพรหมอยู่นี่แสดงว่าไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้จักไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนั่นเอง คำถามจากผู้ฝากถามค่ะหนูมีปัญหาคือนั่งสมาธิได้ช่วงระยะเวลาที่สั้นลงจากที่เคยนั่งได้และมีความสงบระดับหนึ่งถึงแม้จิตจะไม่รวมลงเป็นอุเบกขาแต่ก็สามารถควบคุมความคิดไม่ฟุ้งซ่านลอยไปลอยมาและนั่งได้เป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแต่พอมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายตอนแรก ก็ตั้งใจจะสู้เวทนาเพื่อปล่อยวางแต่ไม่เคยทำได้พอไปเจอความเจ็บปวดมากๆก็ลุกหรือเปลี่ยนท่ามันเลยไม่ต่อเนื่องขอพระอาจารย์แนะนำว่าหนูต้องทำอย่างไรจะเจริญสติด้วยอริยาบทอื่นหรือทำต่อไปเพื่อเรียนรู้อยู่กับเวทนาทางกายและผ่านมันให้ได้ด้วยกำลังสติและปัญญา ก็ต้องใช้สติและปัญญาที่ผ่านไม่ได้ก็เพราะว่ากำลังของสติและปัญญาไม่พอก็ต้องหมั่นเจริญสติและปัญญาสติก็คือการจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในเอรยยิยบทใดไม่ไม่ใช่จะมาเจริญสติเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิเท่านั้น ถ้ามาเจริญสติตอนนั่งนี่กำลังของสติจะมีน้อยต้องสะสมกำลังของสติไว้ก่อนแล้วเวลามานั่งก็จะมีกำลังที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ส่วนปัญญาก็ใช้สลับกับการเจริญสติก็ได้เวลาใดที่เราไม่ได้เจริญสติเราจ้ามาใช้เจริญปัญญาก็ได้ปัญญาก็ต้องพิจารณาไตรลักษ พิจารณาว่าสรรพธรมพรมสรรวัธรรมทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเราไม่สามารถครอบครองเอาไว้กับเราไปได้ตลอด แม้แต่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราต้องหมั่นเจริญพิจารณาอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับความรู้สึกคือเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีสุขเวทนามีเจริญสุขเวทนาแล้วก็มีการเสื่อมของสุขเวทนามีการปรากฏของทุกขเวทนาและมีการดับไปของทุกขเวทนา เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเขาเกิดเขาเองเขาดับเขาเองเขามีเหตุมีปัจจัยหน้าที่ของเราเพียงแต่รับรู้แล้วปล่อยวางอย่าไปปรุงแต่งให้เกิดความอยากเพราะเวลาปรุงแต่งให้เกิดความอยากแล้วจะเกิดความทุกข์ทรมานใจตามมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดเลยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะไม่มีใครสอน พอเราเจออะไรที่เราไม่ชอบเราก็ปรุงแต่งอยากจะให้มันหายไปเวลาเจออะไรที่เรารักเราชอบก็ปรุงแต่งอยากจะให้อยู่กับเราเป็นนานๆาพอเขาไม่อยู่แล้วก็เสียใจทุกข์ใจพอเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ อ, อยากจะให้เขาหายไปพอเขาไม่หายเราก็ทุกข์ใจอีกนี่ความทุกข์ใจเกิดจากความไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรารู้เราก็จะ ปล่อยวางความอยากปล่อยว่าไม่ไม่คิดปรุงแต่งไม่ได้ทางความอยากเพราะเราจะรู้ว่าจะเป็นการาสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุและไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้เช่นร่างกายนี้ก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เวทนาก็จะไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้เวทนาก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนฤดูกาลที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราก็จะไม่ฝืนความจริงด้วยไม่ด้ยการไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นเมื่อไม่มีการฝืนไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในใจก็จะดับไปคำถามจากผู้ฝากถามคำถามที่สองค่ะถ้าเราอยู่ในสภาพอารมณ์ที่เศร้าหมองไม่สดชื่นอะไรรอบๆดูอึมครึมหมองมน โดยที่ใจเราไม่ยอมรับเหตุผลของปัญญาที่พยายามสอนใจว่าอย่าไปอยากทุกข์เกิดจากความอยากเราก็ต้องพยายามเจริญสติใช้กําลังของสติเข้าช่วยใช่ไหมคะถ้าปัญญาไม่ไม่สามารถทําให้ใจปล่อยวางได้ก็ต้องใช้สติคืออย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจหรือเรื่องที่เรากลัวเช่นถ้าเรากลัวผี แล้วใจวุ่นวายก็ใช้สติเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงเรื่องของผีพอใจไม่ไปคิดถึงเรื่องของผีเดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปความทุกข์ก็คือความกลัวนี้ถ้าเราทุกข์กับเรื่องอะไรแล้วเราไม่สามารถใช้ปัญญาดับมันได้ ก็แสดงว่าปัญญามันไม่แก่กล้าพอหรือว่าสติไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องกลับมาเจริญสติทำใจใ ห, ห้ไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่ทาให้เราไม่สบายใจพอเราไม่ไปคิดถึงมันความไม่สบายใจก็จะหายไปแต่ถ้าหายด้วยปัญญามันจะหายอย่างท้าวอนแต่ถ้าหายด้วยสตินี่จะหายแบบชั่วคราว เวลาใดที่เราไม่มีสติมันก็จะกลับคืนมาใหม่ได้จากผู้ฝากถามต่อมาค่ะมีคำพูดที่ว่าในกรณีที่เราเจอปัญหามีความทุกข์ใจแล้วไม่สามารถแก้ไขมันได้ด้วยตัวเองถ้ามีครูบาอาจารย์ก็เปิดใจคุยปัญหาให้ท่านฟังแล้วพอท่านสอนหรือบอกอะไรมา ก็เอาไปทำตามแล้วทุกนั้นจะคลี่คลายหรือแก้ไขได้เพราะเราให้คนตาดีช่วยแก้ไขให้อย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคำถามต่อมาจากผู้ฝากถามค่ะตอนลูกชายอยู่ชั้นประถมพ่อแม่ชวนมาวัดก็มากับพ่อแม่ตอนนี้ลูกชายอยู่ยมัธยมชวนมาวัดฟังธรรมไม่มา อยู่แต่บ้านเล่นเกมตอนแม่ออกมาฟังธรรมวันนี้ก็ยังไม่ตื่นเวลาเล่นเกมก็พูดจาไม่สุภาพอย่างนี้จ ะ, ะทาอย่างไรกับลูกชายดีคะก็อย่าให้เขาเล่นเกมเอาเครื่องมือที่เขาใช้เล่นเกมไปเอาไปบอยจากหรือเอาไปทิ้งนะต้องเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับอาวุธปืนเราไม่ให้เด็กมีอาวุธปืนเพราะอะไรเพราะเรากลัวเดี๋ยวเด็กจะเอาเอาวุธปืนนี่มา ทำลายตนเองเครื่องเล่นเกมต่างๆก็เป็นเหมือนอาวุธที่จะมาทำลายเด็กนั่นเองแล้วเราทำไมถึงปล่อยให้เขามีอาวุธเหล่านี้ไว้ใกล้ตัวเขาทำไมต้องรีบเอาไปทำลายใอย่าให้มีอยู่ในบ้านคำถามทางบ้านหมดแล้วมีทางศาลานี้มีใครอยากจะถามอะไรไหม yeah. And uh, you want to ask something Thank you, Ajahn. Um, I want to ask about the rain retreats. My understanding was um, when the Buddha set the rules because the monks were traveling in the past. So when Ajahn was training in Wat b a b a n t a or when Ajahn training here, uh, Ajahn didn't go anywhere. So the Ajahn w o r k e x t r a hard during rain retreats or w o r k hard 365 days. Well, as far as practice is, is depend on each individual. It depends on the the progress. Depend on the motivation of each individual. If a person has a strong motivation, sometimes he, he does it all the time, regardless of the of the time of the day or night or year. You know. But for people without motivation, sometimes by using the rain retreat as an excuse. They can be more or less forced to do the practice because normally during the rain retreat in the monastery or temple, the abbot or the teacher would stress the practice as the main uh, object of, of activity, and will try to reduce or eliminate all other kinds of activities for the rain retreat. But after the r a i n retreat, due to circumstances beyond uh, the effort or the teacher's control, sometimes other activities will have to be uh, done also. But the person is more is the, the is more important with the person. If the person is more strongly motivated, then it doesn't matter the time. You know. Okay. Is that all? You want to ask some questions? No, you. You. you sure? Because I won't ask. I won't answer after the the microphone is turned off. No. <laughs> yeah. Because uh, in I intended to make a nand in in December, and it's what's the difference between you know. With like a lay person doing the meditation and as a nun doing a meditation, which one would be the beneficial? The difference is in the maybe the time allowed. If you are a lay person, you might not have the time to do as much as a nun, because as a lay person you might have other r e s p o n s i b i l i t i e s like you might have to work. You have a family to look after. Uh -huh. With a nun, she denounces all these things, and she has, she is free to have more time to do her practice. Oh, as a nun, it's just for a short period only. Yeah, doesn't yeah. matter, short or long, is is is the time available for practice. Ah, oh, thank you. And if she. If she likes it, she might extend her her tenure to be a nun longer, or maybe be permanently as a nun. So, it you don't know because if you have the the time to practice and you succeed, you achieve the result, then it will give you strong motivation to practice more. But if you don't have the time to practice and achieve the result, you might never have that motivation, and you will just keep on struggling the way you are now. Yeah, that's uh, true. That's true. Thanks. Ajahn, I just want to ask: when we are meditating, there are five hindrances. How can we overcome these hindrances? Each one, when we are meditating, to have a Clear and calm mind. Each hindrance s each hindrance have antidote for them. Like if you are not certain of your your practice, you are doubtful, then you have to reflect, think of the Buddha and his noble disciple. They were the person who practiced and achieved the result. So when you think of them, it will mollus. Uh, dispel the doubt that whether your practice will be fruitful or not. o you know. this is the first hindrance. If you have doubt in your practice in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, then you should contemplate, reflect, or think of them, study their history, biography, to learn from them. So this is the first one, the hindrance of doubt. The second one is sleepiness or laziness. One of the antidote is to uh, fast to not eat too much. If you are five precept, r you might take the eight precept. That will reduce the amount of food intake because the amount of food intake will be the cause of your drowsiness or sleepiness. If you don't eat at all, you you will be Hungry and your mind will be alert, but you have to meditate in order to cope with your hunger, because ninety percent of your hunger comes from your mind, not from your body, and you have to use meditation to to curb this hungry hunger. So when you when you fast, you will be naturally forced to meditate. If you don't meditate, then you will not be able to continue on with your fast. So this is the second uh, antidote to your hindrance. The third one is uh, restlessness. You should develop constantly develop mindfulness, prevent your mind from thinking aimlessly, F force it to focus on one object, like the like a mantra. Mental recitation the name of the Buddha, or you can use chanting a verse or a phrase, or the whole sutta if you like. You can chant it in Pali or in English if it's translated. You can memorize it and then repeat it mentally in your mind. Keep your mind busy with the sutta, with the mantra. Then your mind will not be able to go think aimlessly. That w h i c h will create agitation and restlessness. That's the third one, right? What's the fourth one? Uh, sensual desire. If you have desire for sexual activity, you must contemplate on the asupa of the body, the unpleasant or the loathsome part of the body. Like go through the 32 parts of the body, especially the the in Side part under the skin. Look at the skull, the skeleton, the lungs, the heart, and other organs. Or you can look at the body when it gets old, gets sick, or dies. Contemplate on the corpses. If you look at the body in that manner, it will eliminate your sexual desire. So, and the fourth, the fifth one, I think, is anger. If you have anger, you should forgive people. You should develop metta, p a v a n a loving kindness. Try to be forgiving. Or you want to go attack at the root of your anger, then you have to get rid of your desire, because it's your desire or your longing for something that makes you mad or angry when you cannot get what you want. But if you don't have any longing or desire for things, then you will not get angry. So these are the five ways of uh, eliminating your hindrance, which you have to develop it before it happens. Be because if you haven't developed it yet, when it happens, you wouldn't know you wouldn't know what to do. So in your in your Daily life. Try to develop one kind of, of this antidote. You know, you do them alternately. i Do some metta, do some a s u p a do some reflection on the triple gem: the Buddha, Dhamma, and the Sangha. And try to reduce the amount of food intake and maintain mindfulness at all times. Then you won't have faced any hindrance in your practice. Thank you, Adan. Any more questions? Sorry, Adan. Can I ask one more question? Um, I notice, for example, like the spiders or the gecko, they just sit still for two, three days. I notice. I think they don't watch TV or anything, right? So, what's the difference between them? Sit still, cannot go j a n a But <laughs> when I sit still, I. I wish to go Jhana or sadhu Because they got no place to go, maybe. <laughs> But you can go anywhere you want. See? So you don't want to go into Jhana. That's why you have to force yourself to stay put, because you know that if you don't force yourself, then you you can go anywhere you want to. So you have to eliminate your. The means of allowing you to go here and there—that is giving you all your money away. When you don't have any money, then you cannot go anywhere. <laughs> okay. <I can't>. Okay. <laughs> okay. okay. Okay. Okay. Any more question? Okay. In that case, I think we will have this uh, meeting come to a close. ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไว้พินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ